หลวงปู่ดูลบอกไม่ส่งจิตออกนอกหลวงปู่เทสท่านแยกคําว่าจิตออกนอกของหลวงปู่ดูลออกเป็นสองส่วนเป็นจิตส่งข้างนอกกับจิตส่งข้างในส่งไปข้างนอกก็หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรส่งไปข้างในเนี่ยเข้าไปดิ้นรนค้นคว้าทํางานอยู่ข้างในทางใจจะส่งนอกหรือจะส่งในมันก็ส่งออกด้วยกันทั้งคู่ก็คือความทยานอยากของจิตก็คือตัณหา งั้นเวลาเราภาวนาตัณหามันนำหน้าไปก่อนเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ันมันถลําลงไปบ้างหลงออกไปข้างนอกบ้างให้เรารู้ทันนะหลายคนพลาดตรงนี้คือใจใจไม่ตั้งมั่นใจที่มันส่งนอกส่งในเพราะว่าใจมันไม่ตั้งมั่นตัวนี้สาคัญนะต้องรู้ทัน ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แทนที่จะดูจิตดูใจตัวเองกับส่งจิตไปดูโน้นส่งจิตไปดู น, น, ดนี่จิตมันเคลื่อนไปไปดูเราคิดว่าดูจิตอยู่ความจริงส่งจิตไปดูส่งจิตไปดูไม่ได้มีอะไรขึ้นมาจิตหลงไปแล้วคอรู้สึกเอานะรู้สึกเอาไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกถ้าใจเราไม่หลงไปไม่ไหลไปนะใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นถ้าใจตั้งมั่นแล้วปัญญามันจะเกิด ส, สมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสมาธิก็คือใจที่ตั้งมั่นความตั้งมั่นสิ่งที่ผิดมีสองอันนะอันนึงจิตมันไหลไปหลงไปอันนึงก็คือไปเพ่งเอาไว้ไปกดเอาไว้ให้นิ่งๆหลงไปก็ใช้ไม่ได้เพ่งเอาไว้ก็ใช้ไม่ได้พอหลงไปเราลืมกายลืมใจนี่แย่ที่สุดเลยถ้าเพ่งไว้นะมันเหมือนกับรู้กายรู้ใจแต่มันไม่รู้จริงหรอกมันไปเพ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งใช้ไม่ได้ มันไม่ยากนะมันไม่ยากเลยแต่ก่อนทําไมภาวนามันไม่ได้ผลสักทีมล้มลุกลุกลานไปใ น, ะนส่วนหลวงพ่อก็มาจับเคล็ดได้วนะ่ามันขาดความตั้งมั่นของจิตจิตของเราชอบหลงไปไหลไปเรื่อยเพราะนั้นไม่ว่าเราจะเจริญวิปัสสนาอย่างไงนะแขวนป้ายว่าทํำวิปัสสนาเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ทําวิปัสสนาจริงยกตัวอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจนะจิตเราจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ นี <S <S <S ่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเวลาเราดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเวลาเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้ก็เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลไปขยับไม้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนสอนขยับมือลูกศิษหลวงพ่อเตียนก็ชอบจิตไหลเข้าไปอยู่ในมือไปเพ่งเพ่งมือก็ไม่ใช่อีกเป็นสมถะอีกนะ บางคนดูอิริยาบถสี่นะคล้ายๆมีคนหนึ่งดูอยู่จากข้างบนจ้องลงมาร่างกายกระดุกกระดิกรู้หมดเลยจิตไหลลงมาเพ่งกายทั้งกายเพราะไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่วิปัสนาทำไงก็ไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าใจเราตั้งมั่นนะใจเราไม่ไหลไปไม่ลงไปเช่นรู้ลมหายใจเราก็เห็นร่างกายมันหายใจจิตเราไม่ไหลเข้าไปในลม รู้ท้องพองยุบนะเราเห็นท้องมันพองยุบเห็นร่างกายนี้พองร่างกายนี้ยุบจิตไม่ไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินจิตไม่ไหลไปอยู่ที่เทา้าบางคนไหลเลยเท้าไปอีกนะไหลไปถึงพื้นไปรู้ว่าพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่รู้ไปรู้หาอะไรมันไม่มีใครรู้สึกว่าพื้นเป็นตัวเราสักหน่อยไม่ต้องไปดูมันหรอกดูที่สิ่งที่เรียกว่ากายกายใจของเรานี้ ถ้าเรารู้สึกว่ากายนี่ใจนี้คือตัวเรารู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนี่จนเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่การสะกดจิตตัวเองให้คิดว่ามไม่ใช่ตัวเรานะแต่ดูของจริงเลยดูความจริงเข้าไปซ้ําแล้วซ้ําอีกที่เรียวกว่ารู้ทุกรู้ทุกข์แจมแจ้งนะั่ก็คือรู้ความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาเนะี่รู้เรียกว่ารู้แจ้ง ไม่ใช่รู้ถึงความมีอยู่ของมันนะเราก็เพ่งร่างกายนิ่งๆทื่อๆนั้นได้แต่สมถะหลายคนเข้าใจผิดไปเรียนกันตื้นเกินไปไปเรียนบอกว่าถ้ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนารู้กายรู้ใจเป็นสมถาก็ไดนะ้เพราะสมถะไม่เลือกอารมณ์สมถะจะใช้อารมณ์บัญญัติก็ไดนะ้เช่นพุโทโธพุโทโธสัมมาละหังนั่นเองเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราคิดขึ้นเองเรียกว่าอารมณ์บัญญัติก็เป็นสมถากรรมฐานได้ จะใช่อารมณ์รูปนามก็ได้อย่างเราเพ่งร่างกายยืนเดินนั่งนอนยกเท้ายัาง่งเท้าท้องฟองท้องยุบเราเพ่งไปเรื่อยหายใจเข้าหายใจออกเพ่งร่างกายเรื่อยๆไปก็เป็นสมถะกรรมฐานงั้นรูปนามก็เอามาทําสมถะกรรมฐานนะอารมณ์นิพพานก็ใช้ทําสมถะกรรมฐานได้อารมณ์มี3ามสอย่างนะอันหนึ่งคืออารมณ์ปัญญัติเรื่องคิดนึกรุงแต่งอีกอันหนึ่งเป็นอารมณ์รูปอารมณ์นาม คือกายกระใจอีกการหนึ่งก็นิพพานเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งอารมณ์ทุกชนิดเอามาทําสมถะกรรมฐานได้ทั้งหมดอย่างพระอริยบุคคลเวลาต้องการพักผ่อนเนี่ยท่านน้อมใจไปอยู่กับนิพพานไปพักผ่อนเรียกว่าเข้าพระสมบัติพักผ่อนอยู่กับนิพพานแม้อารมณ์ทุกอย่างทําสมถะได้หมดเพราะงั้นไม่ใช่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปต้องรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นถึงจะเป็นวิปัสสนาได้ จิตที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเวลาเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนั้นมันรู้เลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนคือร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นน้ำรู้เลยจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธกายมันเดินกายมันยืนกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนแต่กายมันทำหน้าที่ของมันไปร่างกายมันพองร่างกายมันยุบมันไม่ใช่ตัวเราพองตัวเรายุบมันไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราแทรกขึ้นมา ถ้าใจเราตั้งมัน่นถ้าใจเราไหลตามอารมณ์ไปเมื่อไหร่นะมันจะรู้สึกมีตัวตนขึ้นมามีตัวเราขึ้นมาถ้าใจตั้งมั่นอยู่จะไม่มีตัวมีตนนะงั้นใครรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นไหมวิธีทำใจให้ตั้งมั่นมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทาสมถะกรรมฐานจนถึงฌานที่สองขึ้นไปพวกเราทำยากคนรุ่นนี้ทำยากนะคนที่เล่นฌานได้จริงๆหลวงพ่อเห็นมีนับตัวได้เลยในรุ่นพวกเรานี้ อย่างทีมเชียงใหม่เห็นก็มีคุณดําเกิงอยู่คนนะที่แกเล่นของแก่ได้นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีจริงนี่สําหรับคนที่ทําชาญไม่ได้เนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาคือการที่รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองจิตไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงคือจิตที่ไหลไปไหลไปดูไหลไปฟัง ไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลทางใจเช่นไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไหลไปเพ่งนะเพ่งอารมณ์ต่างๆเนี่ยจิตไหลไปเพ่งจิตเพ่งเวทนาเพ่งอะไรนี่ยจิตมันไหลไปยั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่จะตั้งชั่วขณะเท่านั้นเป็นคณิกะสมาธิจะไม่เหมือนคนที่เขาเข้าชาญมา ขณะที่เขาเข้าฌานอยู่ถึงฌานที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นอย่างแท้จริงตั้งอยู่ได้นานด้วยอัปปนาสมาธิถอยออกมานะความตั้งมั่นก็ยังทรงอยู่อีกช่วงยาวๆด้วยอุ ป, ปจารสมาธิของเราทําอัปปนาไม่ได้ทําอุ ป, ปจาระไม่ได้เรามีคณิกะสมาธิคือสมาธิช่วงขณะเป็นขณะขณะไปนะใจเราไหลไปเรารู้ทันใจเราไหลไปเรารู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันนะ ใจไหลไหลได้6แบบไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปริมรถไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลทางใจเช่นไหลไปเพ่งไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งจิตที่ไหลไปนะไหลมากที่สุดคือหนีไปคิดสังเกตไ้มจิตของเราหนีไปคิดทั้งวันเลยมันไหลไปคิดมันกระโจนเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดมันไหลปุ๊บปุ๊บเข้าไปแล้าไปเคล้าเคลียร์อยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลา หลาทางทวารทั้ง6กเนี่ยหลายทางใจมีมากที่สุดนะรองลงมาคือหลาทางตาแต่คนตาบอดก็หลายทางตาไม่มีนะถัดไปก็ไหลาทางหูไนะหลายทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรนี้ก็มีบ้างทางลิ้นเนี่ยเราไม่ได้กินอะไรมันก็ไม่ได้รับรสอะไรความจริงถ้ามีสติขึ้นมาเราก็รับรสตลอดเวลาได้นะลิ้นมันก็ถูกกับน้ํำลา ย, ยนะถูกกับผนังปากเนี่ยมันก็มีรสเหมือนกันแต่รสมันไม่น่ากินหรอก ไหลที่หลงมากที่สุดหลงไหลมากที่สุดคือหลงไปคิดนี่ถ้าเราเรียนแบบปัญญาชนเรียนนะเราเรียนแบบการสุ่มตัวอย่างเหมือนเราทํางานวิจัยจะเรียนไหลทั้ง6ทางเรียนยากเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนเรียนอันเดียวก็พอละไหลายทางใจหลายทางใจที่มากที่สุดคือไหลไปคิดงั้นถ้าแต่ละวันเราคอยฝึกนะจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้รู้เรื่อย รู้เฉยๆอย่าดึงคืนมาถ้าดึงคืนมาจะต้นเพ่งเอาไว้แน่นจะแน่นแน่นขึ้นมาแต่ถ้าจิตไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหลไปคิดแล้วรู้สึกไม่นานจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะตั้งมันง่นหลวงพู่ดูลยกับหลวงพ่อเทียนสอนเหมือนกันอย่างหนึ่งสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตไปคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางการปฏิบัติไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่คิดเป็นสมมุติบัญญัติคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นอารมณ์บัญญัติ รู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยรู้อารมณ์ประมัดแล้วจิตพิคิดเกิดบ่อยที่สุดเรารู้สึกไปใจจะตื่นขึ้นมาเมื่อสองสามวันก่อนมีพระองค์หนึ่งมานะท่านบอกว่าท่านได้ซีดีไปนะไปแอบฟังท่านฝึกมาตั้งสิบกว่าปีนานมมา 10, ปแล้วบวชนานบวชมาสิบกว่าพันปีแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานะเพ่งลูกเดียวเลยแล้วไม่รู้ว่าเพ่งเพ่งเพ่ ง, พ ง, พงไปคิดว่าเพ่งไว้แล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพาน วันหนึ่งท่านได้ซีดีหลวงพ่อไปนะีไปแอบฟังฟังไปถึงประโยคที่บอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติท่าบอกท่านสะเทือนขึ้นั้งตัวเลยสะเทือนใจทนฟังต่อไปไม่ได้แล้วปิดเลยปิดนะต้องไปสงบใจอยู่พักหนึ่งมันพุ่งพล่านไปหมดเลยพอจิตใจสงบแนละ้วมาเปิดใหม่ฟังซ้ําที่เดิมนี่แหละได้ยินว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางปฏิบัติทนไม่ได้อีกแล้วนะใจพุ่งพล่านนี่นมันทนไม่ได้ เหมือนไงของที่ทํามาเดิมที่มันคนละเรื่องกันเลยรับไม่ไหวท่านก็มาสงบจิตสงบใจใหม่ครั้งที่สามนะฟังซ้ําครั้งที่สมท่านบอกใจท่านตื่นพลงขึ้นมาเลยท่านรู้แล้วว่าที่ทํามาตลอดเนี่ยมันผิดทั้งหมดเลยตลอดมาทําำมาผิดเพราะไปเพ่งไว้ตลอดเวลาเพ่ยงจนเครียดไปหมดเลยแค่สภาวะที่รู้ทันใจที่ไหลไปคิดนใจก็หลุดออกจากโลกของความคิด พอจิตเราหลุดออกจากโลกของความคิดจิตก็ตื่นขึ้นมามันเป็นความตื่นที่แท้จริงคนในโลกนี้ตื่นแต่ร่างกายจิตใจไม่เคยตื่นอย่างมาที่วัดหลวงพ่อนี่ตื่นขึ้นมาใช่ไหมยังไม่ได้ละเมอมาแต่ว่าตื่นเฉพาะกายใจมันคิดใจมันฝันตลอดเวลาเวลาที่เราหลงไปคิดก็คือใจมันฝันนั่นเองเรียกว่าใจมันหลับใจมันฝันยั้นทําอะไรเรารู้ทันว่าใจมันฝันนะแจมจะตื่นขึ้นมา เราจะรู้จักความตื่นที่แท้จริงผู้ใดเข้าถึงความตื่นที่แท้จริงแล้วผู้นี้จะได้ต้นทางแนละ้วต้นทางนะไม่ใช่ปลายทางอยากเดินทางนี้ต่อไปก็คือพอตื่นขึ้นมาแล้วทำสติปัฏฐานไว้รู้สึกกายรู้สึกใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ตื่นมาแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่ในความตื่นเฉยๆในความว่างเฉยๆอันนั้นยังกลายเป็นสมถะได้อีก งั่นเมื่อใจตื่นขึ้นมานะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายมันทางานเห็นใจมันทำงานเรื่อยถ้าเรารู้กายรู้ใจที่กาลังทำงานด้วยจิตที่มันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหลุดออกจากโลกความคิดความฝันแล้วเนี่ยจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีว่าเวทนาความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา จะเห็นทันทีว่าสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลอย่างโลภโกรธหลงทั้งหลายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลปลอมผ่านมาผ่านไปทั้งสิ้นจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาวิ่งไปดูเกิดที่หูวิ่งไปฟังนะเกิดทางใจวิ่งไปคิดเกิดรู้สึกตัว น, นี่ก็เกิดทางใจหนะลงไปคิดเป็นจิตที่เกิดทางใจเหมือนกัน พระจิตเองก็เกิดดับตลอดเวลาอะไรๆก็ไม่มีตัวเราสักอันเดียวเมื่อเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะเจ็วัน7ดเดือน 7, 7็ปีเห็นมันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันดูลูกเดียวรู้ลูกเดียวเลยไม่ต้องแทรกแสงวันที่จิตมันพอนะจิตมันจะรวมก็อัปปนาสมาธิเองทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่เคยฝึกเข้าฌานนะจิตจะเข้าฌานเองเข้าได้ทุกคนเลยนะถึงตรงนั้นตั้งแต่ปสมมาฌานฌานที่หนึ่งขึ้นไปจนถึงฌานที่8ดเข้าได้หมดเลยนะ ไดทั้ง8ปฌานพูดอย่างอาภิธรรมก็เข้าได้หนะึเพราะฌานที่1 2ึ่สามที่พวกเรารู้จักเนี่ยทางอาภิธรรมเอาไปแยกเป็น5เป็นหนึ่งสสาี่หบรรดาอรูปฌานที่เหลือทั้ง4นีะ่อากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสี่อย่างเอาเข้าจริงก็คือฌานที่4ของพระสูตรคือฌานที่5ของอภิธรรมนั่นเอง เขมีองค์ทำสองอย่างก็คือมีอุเบกขากับเอกคัตตาในรูปปัจจันก็มีองค์ทำสองงานคืออุเบกขากับเอกคัตางั้นเวลาที่พวกเราภาวนารู้สึกกายรู้สึกใจไปจนเพียงพอแล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัวนาสมาธิเองถึงไม่เคยฝึกเข้าฌานมาก่อนเลยนาทีนั้นมันก็จะเข้าฌานเข้าเองโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะเคยมีคนคนหนึ่งไปเปียกฝนนะแล้วก็กังวลใจ เคยหัดดูจิตดูใจมาจนชำนาญพอเปียกฝนแล้วก็ไปนั่งกอดเข่าอยู่นะกังวลใจสติมันะระลึกรู้เห็นความกังวลโดยไม่ได้เจตนาะระลึกเพราะมันเคยะระลึกจนชำนาญแล้วสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติก็รู้อะไรเกิดขึ้นสติก็รู้เพราะฉะนั้นรู้โดยไม่ได้จงใจตรงที่รู้โดยไม่จงใจนี้เป็นสภาวะที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านชอบเรียกมหาสติมหาสติไม่ใช่สติกะจอกนะ กติอัตโนมัติะถึงตรงนั้นพอดูไปความกังวลใจขาดสะบั้นลงไปนะจิตรวมเข้าปาาัญสัมมาทิเองเลยรวมเองไม่ต้องเข้าฌานเสร็จแล้วจะเห็นสภาวะธรรมภายในซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นสิ่งบางสิ่งนะเรียกซัมติงสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสองขณะบ้างสามขณะบ้างแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกัน พวกที่อินทรีย์แก่กล้าเนีเห็นสองครั้งพวกอินทรีย์ไม่แก่กล้าต้องเห็นสาครั้งถึงจะพอคล้ายๆอ่านหนังสือสองรอบก็พอละพวกแก่แก่กล้าพวกไม่แก่กล้าต้องอ่านสรอบถึงจะรู้เรื่องในขณะนั้นจะเห็นสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะจิตมีขันติมีความอดทนอดกลัน้นต่อสิ่งที่มายุ่วเย้าทั้งหลายนะสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงเลยพอรู้พอแล้วนะจิตจะ วางการรู้อารมณ์ภายนอกนะจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นที่จิตอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตจริงๆที่หลวงปูดูนบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเกิดตอนที่เกิดอริยมรรคก่อนหน้านั้นยังไม่ใช่จิตเห็นจิตหรอก่อจิตเห็นกิเลสจิตเห็นเวทนาจิตเห็นอะไรงั้นไปนาทีที่จิตเห็นจิตมันทวนกระแสเข้ามาแลตอนที่เห็นสภาวะเกิดดับสองขณะสามขณะมันทวน ถามว่าสภาวะนั้นคืออะไรไม่รู้เพราะไม่มีสมมุติบัญญัติในพระไตรปิฎกท่านถึงใช้คําว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเห็นไหมฉันใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านเรียกว่าซัมติงสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําไมเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกเพราะไม่มีสมมุติไม่มีบัญญัติอีกต่อไปแล้ว พอเห็นสองครั้งสาครั้งนะจิตทวนเข้าหาธาตุรูนะ้พอถึงธาตุรู้แท้ๆนะอาริยมรรคเกิดขึ้นนะมันจะแหวกเอาอาสวะกิเลสที่ห่อพุ่มจิตอยู่นี่ขาดสะบั้นออกไปแหวกครั้งที่หนึ่งนะก็จะไปเห็นนิพพานนะเห็นนิพพานเพราะอาสวะถูกทำลายไปแล้วเห็นแว บ, บเดียวสองสามขณะเท่านั้นนะ จิตก็ถอยกลับคืนมาสู่โลกในตามเดิมอาสวกิเลสก็เข้ามาครอบงําจิตได้อีกอย่างเดิมครั้งที่หนึ่งสิ่งที่ละไปคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราเป็นพระโสดาบันไปเรียบร้อยแล้วครั้งที่สองนะก็กิเลสอ่อนเลยครั้งนี้กิเลสประวางกิเลสไหลแวบข้นมาก็ขาดสะบั้นหมดเลยครั้งที่สมเนี่ยจะไม่ยึดถือในกายพอไม่ยึดถือในกายแล้วเห็นความจริงของกายนี้ทุกข์ลน้นล้นไม่ยึดถือกายเลยได้ทำมาขั้นที่สาม พอไม่ยึดถือกายก็คือไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดถือในตาก Then, ็ไม่ยึดถือในรูปเมื่อไม่ยึด hmm. ถือในหูก็ไม่ยึดถือในเสียงเมื่อไม่ยึดถือในจมูกก็ไม่ยึดถือในกลิ่นเมื่อไม่ยึดถือในลิ้นก็ไม่ไม่ยึดถือในรสไม่ยึดถือในกายก็ไม่ยึดถือในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบกายเมื่อไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสผทับพระและสิ่งที่มากระทบกายแล้วความยินดียินร้าย ในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะก็ไม่มีเรียกว่ากามและปฏิฆานี่ยขาดสะบั้นไปในขณะนั้นพระอนาคามีละกามและปฏิฆาได้ด้วยเห็นเองเพราะเห็นแจ้งกายนี้ถูกรุนรุนเลยแต่เวลาเราภาวนานะี่ยไม่จาเป็นต้องรู้กายนะบางทีเราดูจิตไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยถึงวันที่แจ้งนั้นก็เห็นใยกายนี้ทูกรวนรุนเลยมันเห็นเองแหละเพราะเวลาดูจิตก็เห็นกายเวลาดูกายถ้าดูถูกต้องนะั้นก็เห็นจิต กายกับจิตมันเหมือนเหรียญอันเดียวกันแต่คนละหน้าเท่านั้นเองหยิบหน้าหนึ่งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งก็ติดมันด้วยเพะ้นเราภาวนาต่อไปอีกนะถัดจากนั้นนพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าตัวจิตนี่แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงอยู่กับจิตแล้วมีความสุขอยู่กับโลกแล้วมีความทุกข์รู้สึกอย่างนี้เห็นจิตเป็นที่พึ่งที่อาศัยอยู่เนี่ยสติปัญญาไม่แก่รอบพอนะตัวจิตนี่แหละตัวอวิชชาเลยนะ เอาวิชาครอบงําจิตอยู่เลยไปเห็นว่าตัวจิตนี้เป็นตัวดีตัววิเศษต่เมื่อสติปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วนั่นมันขาดสะบั้นลงตรงที่เห็นว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเห็นไหมที่หลวงพ่อพูดเรื่องอริยสัจเมื่อเช้าเนี้มันเห็นเลยตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอีกต่อไปแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันจะสลัดคืนจิตให้โลกเลยนะมันกว้างกระเด็นออกไปเลยนะสลัดกระเด็นออกไปเลย วัตจักรสังสารวัตกว่อมถล่มลงต่อหน้าต่อตาเนี่ยเองสะเทือนไปหมดเลยมีความสะเทือนขึ้นในใจเรานี้ไม่ใช่สะเทือนในโลกหรอกในโลกมันเป็นความกระเพื่อมไหวเป็นความกระเพื่อมไหวกระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลเวลานาทีแห่งการข้ามภพข้ามชาติมันสะเทือนขึ้นจากใจเรานี่ ใ, ใจเราสะเทือนเหมือนโล ก, กาธาตุนี้สะเทือนไปด้วยจิตมันก็หลุดออกมาเป็นอิสระที่แท้จริงนะ จิตที่เป็นอิสระแล้วนะไร้ขอบไร้เขตไรจุดไร้ดวงไม่มีที่ตั้งทําไมไม่มีที่ตั้งเพราะมันเต็มโลกเต็มจักรวาลแลไม่รู้จะตั้งที่ไหนเนี่ยจิตกระมะจะเสมอกันเพราะทำแท้ๆก็เต็มโลกเต็มจักรวาลไม่เคยบกพร่องเลยนะพอจิตมีคุณสมบัติเพียงพอนะจิตเต็มโลกเต็มจักรวาลไม่มีบกพร่องเหมือนกันเป็นของเสมอกันระหว่างจิตกระทำและจิตกระทำเสมอกันนละสัมผัสกันอยู่นจะรู้เลยโอ้ เรามีที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงแล้วคืออะไรคือธรรมนั่นเองเมื่ออาศัยธรรมนี้อยู่นความทุกข์ใดๆไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีโลกหลวงปู่เทศนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านเคยเขียนหนังสือสั้นๆไว้เล่มหนึ่งอ่านผิวเผินก็ตื้นๆหรอกนะถ้าลึกแล้วแค่คําพูดประโยคเดียวแค่ชื่อหนังสือก็สะเตือนโลกแนละ้วท่านชื่อหนังสือว่าสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกเหลือธรรมนะคือสิ้นจากขันนะ เหลือธรรมธรรมธาตุนี้ล้วนๆเลยธรรมธาตุนี้ไม่เคยตายเลยนะฉั้นจิตที่เข้าไปถึงธรรมธาตุนี้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแล้วะนั้จิตกระทำมันเสมอการนี่หลวงพ่อโชว์อากาศวันนี้ไม่สบายเลยเทศซะหน่อยเทศแล้วเราค่อยแข็งแรงขึ้นหน่อยใจมันค่อยคึกคักหน่อยฉะนั้นฟังกันบ้านนะเปลอไปทำไงกี่ปีกี่ชาติมก็ถามเหมือนเหมือนเดิม ฟังแล้วไม่แอคทีฟเลยพอนะฟังธรรมะนะจิตใจจะได้ร่าเริงเบิกบานในธรรมะจะได้หายป่วยเอาต่อไปจะตรวจกันบ้านนาทีหน้าเบื่อมาถึงละ ว, ว่ายังไงใครจะส่งคนอยู่วัดให้สิทธิ์ก่อนเอาไหมอาคนโน้นจะศึกษาไปนะเรามีบุญที่สุดแล้วที่เราได้เกิดมาในแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธอยู่ เรามีบุญที่สุดเลยที่เราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจอย่างในขณะนี้นะเรามีบุญที่สุดแล้วที่เราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราขาดอีกอันเดียวก็คือปฏิบัติธทำให้สมควรแก่ธรรมจงกระทั้งวันหนึ่งนะใจกับธรรมเนี่ยสัมผัสกันจนใจมันคลองธรรมนะจิตนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นตัวทรงธรรมเอาไว้นะ แต่โดยสภาพที่แท้จริงนั้นธรรมมันทรงตัวมันเองอยู่นะเรียกว่าธรรมมันทรงธรรมอยู่นะพวกเราภาคเพียร น, นะเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละนะได้เป็นมนุษย์แล้วได้ฟังธรรมแล้วเนะหลือแต่ลงมือปฏิบัติอย่าขี้เกียจนะอย่ามัวแต่หลงกับโลกโลกไม่มีอะไรหรอกเป็นความสุขจำปลอมชั่วครั้งชั่วคราวถ้าสัมผัสธรรมะได้จะรู้เลยเรื่องโลกนี่เรื่องกระจกงอกง่อยนลยความสุขของโลกโลกมันความสุกกอไก่ ความสุขในธรรมะเป็นความสุขขอไข่นะอ้างว่าไปกราบนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะค่ะลูกได้มาอยู่วัดคะ่ะเมื่อคืนนี้ก็ ม, มีความรู้สึกว่าช่วงห้าทุ่มกว่าแล้วะคะ่ะกนน็นอนก็มีอากาศหนาว ก, วก็เลยนอนปกติจะนอนงายแล้วก็พุโทโธไปคราวนี้ก็นอนตะแคงนะคะ หลวงพ่อก็ตั้งนาฬิกาไว้ติดสี่ครึ่งค่ะปลุกแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่ า, าขาช่วงขวารู้สึกชาไปช่วงแล้วจิตเป็นย<ข>ังไงค่ะขาชาแล้วจิตเป็นยังไงก็มีความรู้สึกเลยว่า เ, ออเาขาให้รู้ว่า นอนก็ยังทุกข์เมื่อตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวค่ะว่าทุกข์ค่ะชาขาชาไปนี่รู้สึกเลยเอานดูไปหน้าอย่าดูแต่ขานะดูจิตด้วยค่ะเช่นขาชาแล้วใจเรากังวลให้รู้ว่ากังวลพอขาชาแล้วเราพิจารณาธรรมะว่าโอ้ร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะ จิตใจเราพอใจให้หมาพอใจว่ามีธรรมะให้เรารู้ทันว่าพอใจะอะไรๆก็ไม่สำคัญนะสำคัญที่รู้ทันใจของเราไว้เพราะกิเลสเกิดที่จิตใจนี่เองกุศลก็เกิดที่จิตใจนี้มรรคผลนิพพานก็เกิดที่จิตใจนี้นะเะฉะนั้นพยายามเรียนแล้วก็รู้ทันใจให้ได้น ะ, ะให้คนคอื่นบ้างนมัสการค่ะหลวงพ่อจะส่งการบ้านให้พ่อนะคะ พอดีพ่อเขาซีดีหลวงพ่อไปฟังอยู่แล้วก็เกิดคิดว่าเออเห็นว่าตัวเองแตกดับนะคะมันมเป็นยังไงคะฮะแล้วเห็นเนีพ่อพ่อก็เห็นตัวเองแตกดับนะคะเห็นร่างกายตัวเองนะค ะ, ะแตกดับนะค ะ, ะแล้ ว, ลวงไงแมีอะไรเกิดขึ้นคะอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดเลยก็เห็นมันแตกดับก็แตกไปสิ แล้วพ่อก็บอกว่าเวลาเขานั่งเขาจะเห็นร่างกายตัวเองนะคะของพ่อเหรอไม่ใช่ของโยมอ่ะไม่ของพ่อค่ะให้เอาของตัวเองสิเอากรรมฐานอะไรของพ่อเลยไม่ให้พ่อก็จะขอส่งการบ้านนะคะประดีฟังซีดีหลวงพ่อแล้วนะคะคือเงี้ถ้าเห็นร่างกายแตกดับแล้วนะให้รู้ทันจิตต่อไปนะเมื่อร่างกายหมดไปแล้วก็มาดูจิตต่อเพราะว่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่ร่างกายหรอกนะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุกิเลสไม่ได้อยู่ในวัตถุกิเลสอยู่ในจิตของเรา แั้นถ้าพ่อเขาเห็นกายแตกดับไปแล้วนะให้เขามารู้ทันใจตัวเองต่ อ, อเรืองใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสุขใจทุกข์ก็รู้แล้วให้ดูใจต่อไปแลื่นะลูกมาอยู่วัดเนี่ยจะขอการบ้านหลวงพ่อนะคะอย่าไปกดไปน ะ, ะยังบังคับตัวเองอยู่ อ, อย่าไปกดไว้ปล่อยให้จิตทำงานอย่างอิสระแล้วก็คอยรู้เอายังบังบคับอยู่นะรู้สึกไหม รู้สึกเออเลิกซะบังคับไม่ไมดีหรอกเต้นเวลาจับไม่ก็ตื่นเต้นแล้วค่ะเอออย่าจำมันปล่อยมันไปค่ ะ, ะให้คนอื่นเราจะได้ไม่ตื่นเต้นเมื่อวานก็หลวงพ่อบอกว่าให้ปฏิบัติให้ช่วยตัวเองนะคะก็มีความกั ง, งวลว่าจะกลับยังไงวันพรุ่งนี้พอดีเพื่อน กังวลให้รู้ว่ากังวลไม่เป็นไรไม่ต้องบัญญัติไม่ต้องกลัวหรอกนะคนกลับกรุงเทพเนี่ยเยอะก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเมื่อคืนก็เลยเดินเดินจงกรมอะค่ะเดินจงกรมเยอะๆเลยค่ะเดินแล้วเห็นอะไรเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินไหมก็เห็นค่ะเดินแล้วเห็นกิเลสไหม น, น, นั่นแหละลดี น, นดกลัวนิดๆเน้ยๆเราจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรนะแล้วกิเลสอะไรแทรกขึ้นมานะให้เราคอยรู้ทันไปเลย<ช>นะดีอ้าวครูวไหวครูวไหวสาวน้อยอ่ะว่าไปภาคนี้มันเห็นเวทนาเจ้าค่ะมัน อย่างเช่นเราไปเดินกระแทกอะไรเราจะเห็นว่ามันแทรกเข้าม า, าในเนื้อเราเนยนะมันไม่ใช่เนื้อเราใช่ค่ะแล้วแล้วมันแทรกแล้วมันแผ่แล้วมันก็หดหายไปออะนะดีแล้วไงจิตเป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะมีโทรศัพทแล้วก็กดไว้หน่อยหนึ่งค่ะรูปเดียวน ะ, ะ, ะดเดียวเดียวเอาไหมไม่เอาก็ส่งไปเบอร์สี่สิบสาม นมาส ก, การเจ้าค่ะอคราวที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อห้าเดือนก่อนเจ้าค่ะหลวงพ่อสอนให้สังเกตสภาวะที่ใจไหลไปคิดก็กลับไปดูเจ้าค่ะก็เห็นเห็นว่ามันหลงบ่อยแล้วก็เห็นกิเลสบางทีก็โทสะเยอะอย่าไปกดมันไว้นะเจ้าค่ะ เ, เห็นมันไหลไปคิดก็ไม่ว่ามันไม่ไปดึงคืนแล้วก็มันยินร้ายกับมันมากอะเจ้านนะค่ะใจมันไม่ชอบไปต่อต้านมันนะ มันทําให้การภาวนางเราไม่มีความสุขถ้ารู้เล่นๆไปเห็นมันหลงไปก็รู้เห็นมันหลงแล้วก็รู้จิตใ จ, จมีความสุขมันเห็นมานะอัตตาว่ามันอยากจะดีใช่ไหมคุณ<ด> <laughs> ไม่ได้ดีที่เห็นแล้วก็มันจะมีเวลาที่ตามดูไปอะเจ้าค่ะเวลาที่มันมีความกังวลหรือว่าความเครียดพอดูๆไปสักพักหนึ่งโยมเข้าใจว่าโยมจะหนีเข้าถ้าเหมือนกับ มารู้กายมาอย่า ง, งานี้จะเป็นการประคองหรือเพ่งไหมเจ้ะคะาค่ะก็หนีมันไงนะให้รู้ไม่ใช่ให้หนีนะเจ้าค่ะแต่ถ้าจิตมันถอยมารู้กายเองก็ไม่ว่ามันเจ้าค่ะเพราะเราสั่งไม่ได้ว่าจงรู้จิตตลอดเวลาเป็นไปนไม่ได้เจ้าค่ะนะขอการบ้านเพิ่มด้วยเจ้าค่ะไปทําอีกนะแล้วอย่าไปบังคับตัวเองกดแรงไปเจ้าค่ะน ะ, ะต่อไปเบอร์ร้อยสิบเจ็ดเชิญยกมืออ๋อปรีชานี่เองหมูนี่ปรีชามาได้บ่อย มาเจอสาวสวยในวัดหร<ม>ือเปล่าบางคนมาวัดเนี่ยแบบมีเลดไนยนะไม่มีครับ <c oughs> ว่าไงาก็ส่งกันบ้านหลวงพ่อสดท้ายเดือนสองเดือนได้แล้วครตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าจิตมันติดจะเออเอออก อ, อกมาอแล้วก็ช่วงนี้งานมันค่อนข้างจะมีปัญหานิดหน่อยฮะก็เลยแต่ว่ายังไม่ได้ทิ้งที่หลวงพ่อให้กันบ้านว่าต้องไปเดินทุกวนันฮะก็ยังทําอยู่ก็รู้สึกว่าเห็น ความคิดได้บ่อขึ้นนะฮะจะถามหลวงพ่อว่ายังติดเ อ, อ๋อยู่ไหมครับใจมันยังไม่ตั้งมั่นนะครับรู้สึกไหมใจไม่ถึงฐานทีเดียวหรอกตัวนี้ตัวสําคัญนะปรีชารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวมันจะถึงฐานขึ้นมาไม่อยงั้นเราเอาจิตซึ่งไม่มีคุณภาพพอเนี่ยไปเที่ยวรู้อันโน้นรู้ันนี้แล้วบอกว่าเห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นจริงหรอกต้องเห็นแบบใจตั้งมั่นจริงๆแล้วถึงจะเห็นชัด ใจออกนอกมานิดนึ่งดูออกไหมมันไม่เข้ามารู้สึกไหมมันทวนมาดูตัวเองไม่ออกทวนเข้ามาไม่ถึงใจนะต่อไปเบอร์สามสิบสามแปิติการหลงพ่อเจ้าค่ะหนูมาครั้งที่สองครั้งแรกหนูมาหลวงพ่อบอกว่าหนูภาวนาเป็นแล้วเจ้าค่ะแล้วหนูก็ภาวนามาเรื่อยๆแต่มีปัญหาเรื่องเวทนาที่เคยเป็นอยู่เจ้าค่ะมีปัญหาอะไรนะเรื่องเวทนาที่เคยเป็นอยู่เจ้าค่ะเวทนาที่ ที่หนูที่หนูเป็นอยู่ก่อนก่ อ, อนหน้านี้เจ้าค่ะคืออยากกลับไปหนุนพ่อว่าหนูควรจะดูเวทนาตรงนี้อย่างไรเจ้าค่ะก็ดูไปนะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนหนึง่งเวทนาเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเพราะมาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายหรอกนั่นร่างกายไม่เคยเจ็บป่วยเวทนาเป็นของที่แทรกเข้ามาจิตก็เป็นคนไปรู้เวทนาจิตก็ไม่ได้เจ็บป่วยด้วยแยกออกมา เป็นคนดูอยู่ต่างหาก<ช>เห็นเวทนาก็อยู่ต่างหากนะเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนอยู่อเมริกาแกได้ข่าวว่าเพื่อนเป็นริวคิเมียอะเนี่เป็นมากจะต้องเปลี่ยนไขกระดูกอะไรเนะยแกก็หวังดีนะเอาหนังสือเอาซีดีประทีบส่งทําไปให้เพื่อนนะเพื่อนโหเอาบอกฉันฟังมาก่อนเธอเพื่อนเลยเล่าให้ฟังว่าตอนไปเปลี่ยนไขกระดูกนะ <c oughs> ไปเปลี่ยนที่เมืองนอกอนะ เขาอยู่อเมริกาก็มีพยาบาลฝึกงานมาดูด้วยดูไปดูไปนะบ่าพยาบาลมันค่อยๆตาเหลือกนี่นะแล้ก็หงายหลังตึงลงไปเลยมันน่ากลัวมากเสร็จคนนี้นะ่ก็เสียบหูฟังซีดีหลวงพ่อไปด้วยนะหมอมันก็เปลี่ยนไขกระดูกไปเสร็จแล้วหมอเมื่อถามอยู่ฟังอะไรอะอย่ฟังทําไมอยู่ไม่ทรมานไม่ทุรนทุรายอยู่สงบฟังซีดีหลวงพ่อประมท เสียดายฝรั่งมันฟังไม่เป็นนะ <c oughs> <c oughs> งั้นเวลาที่ใจของเราสงบนะเราจะเห็นในเวทนาก็ส่วนเวทนาจิตก็ส่วนจิตมันแยกกัน <c oughs> คนทั่วๆไปเนี่ยเวลาไม่สบายนะมีความเจ็บป่วยทางร่างกายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตนั่นเองอ่ะเป็นตัวขยายความเจ็บปวดให้รุนแรงขึ้นเป็นการขยายความเจ็บปวดให้มากขึ้นหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเมื่อ ก, ก่อนนี้ อยัางเด็กผู้หญิงมีรอบเดือนปวดท้องบางคนปวดมากปวดดิ้นเลยปวดต้องกินยามากมายนะทุกเดือนจะต้องอยังไม่ทันจะมาก็เริ่มปวดแล้วได้เวลาแล้วต้องปวดไว้ก่อนคล้ายๆโรคจิตหน่อยๆละพอมหาหัดดูจิตดูใจนะมันเหลือแต่ความปวดทางร่างกายจริงๆ ซ, ง ซ, งซึ่งไม่มากเท่าไหร่หรอกจิตนี้เองเป็นตัวขยายความเจ็บปวดให้เกินความจริงขึ้นมา ถ้าจิตของเราไม่ปรุงแต่งนะรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นเห็นร่างกายมันเจ็บมันป่วยไปจิตไม่ทุรนทุรายนะไม่ไม่ป่วยเท่าไรหร่หรอกบคนเป็นโรคสาหัสสาการใกล้กจะตายแล้วก็ยังแช่มชื่นเ บ, กบิกบานอยู่ได้แล้วในเ จ, จ, จ้าค่ะคือรู้สึกเ ว, วทนานี้ทำให้หนูรู้สึกว่าจิตมันคล้ายมีโทสะแล้วมันหงุิด ใ, ใจบ่อยๆเจ้าค่ะให้รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นโทสะนั้นเพราะว่าเราไม่อยากป่วยเรายังยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตอนนี้ป่วยแล้วนะ ก็ดูไปโธสะเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีโธสะดูอย่างนี้นะเจ้าค่ะแล้วเวทนาที่หนูเป็นมันจะหายบ้างหรือเปล่าเจ้าค่ะมันก็หายอยู่ตลอดอะรู้สึกไหมมันมีขึ้นมาแล้วมันก็ดับมันมีขึ้นมาแล้วก็มันก็ดับนะไม่มีหรอกเวทนาที่ไม่หายหรู้ไนะเจ้าค่ะมีแต่มันก็เกิดแล้วก็ดับดับแล้วมันก็เกิดอีกแล้วนั่นเองเจ้าค่ะหนูหนูอยากทราบว่าหนูต้องทําสมถะแบบไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าเจ้าค่ะพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้เจ้าค่ะ หนูไม่เคยฝึกแบบลมหายใจมาก่อนเจ้าค่ะไม่ต้องหายใจไงท่องพุทโธหรือสวดมนต์อะไรก็ได้ที่สั้นๆ ส, สักบทหนึ่งนะสวดมนต์ไปแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปเช่นพุทโธธรมโมสังโฆอะไรเงี้ยพุทโธธรมโมสังโฆจิตแอบไปคิดเรารู้ทันว่าจิตไปคิดอะไรเงี้ยถ้ารู้ทันว่าจิตไปคิดจิตจะสงบตั้งมั่นขึ้นได้ทุ่ชั่วขณะนะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ตั้งได้เยอะเจ้าค่ะหนูหนูขอทำคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะว่า ขณะที่เราภาวนาจําเป็นต้องต้องมีสัจจะเนืองๆหรือเปล่าเจ้าค่ะเป็นยังไงสัจจะเนืองๆคืออย่างเมื่อวันตอนแรกหนูฝึกเดินจงกรมเจ้าค่ะคือตั้งตั้งใจว่ายี่สิบนาทีแล้วก็รู้รู้สึกตัวว่าใจมันอยากจะไปเดินออกกาลังกายตอนเช้าแท น, น่ะเจ้าค่ะหนูจําเป็นต้องเดินให้ครบยี่สิบนาทีหรือเปล่าเจ้าคะคือจําเป็นต้องอะไรนะต้องต้องเดินให้ครบตามที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าเจ้าคะคือการตั้งใจจะทําอะไรที่ดีนะถ้าเรา ตั้งใจแล้วเราทําได้เนะี่ยมันจะมีบารมีตัวหนึ่งเกิดขึ้นชื่ออธิษฐานบารมีมันจะทําให้เราเข้มแข็งแต่ว่าอย่างเราเคยเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงเราจะเปลี่ยนมาเดินเอ็กซ์เซอร์ไซน์นะแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซน์นะ่แทนการจงกรมเอ็กซ์เซอร์ไซน์ด้วยความมีสติก็คือการเดินจงกรมนั่นแหละเรียกว่าเราไม่ได้เสียสัจจะนะแต่เราพัฒนารูปแบบของการเดินให้ดีขึ้นค่ะ หลวงพ่อเจ้าค่ะหนูนึกได้คําถามกับเจ้าค่ะเมื่อกี้บอกว่าหมดแล้วไงหนูหนูเคยหนูเคยฟังซีดีเจ้าค่ะแล้วก็หนูไม่แน่ใจว่าหนูหนูฟังแล้วถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะว่าขณะที่เราภาวนาจําเป็นต้องช่วยจิตมันคิดบ้างหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ต้องหรอกนะแต่บางคนก็ต้องคิดนําเพราะว่าจิตมันไปติดความสงบเฉยอยู่อย่างภาวนาแล้วติดสมถะเฉยอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ให้คิดนําเพื่อกระตุ้นให้จิตทํางานแต่จิตของคุณอะคิดเก่งอยู่แล้วไม่ต้องช่วยเจ้าค่ะ ร้อยสสบอดอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอียงทางนี้บ้างนี่ทางนี้เรียกเยอะลเดี๋ยวต้องทางนี้บ้างร้อยสมสเอดนักัชการหลวงพ่อค่ะก็ส่งกันบ้านนะคะช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะคะคือวันนั้นยืนสีฟันอยู่หน้าหน้ากระจกแล้วก็หลงไปเรื่อยนะคะ มือก็สีไปเรื่อยพอนึกขึ้นมาได้ว่าหลงคิดไปแล้วเนี่ยแปรงสีฟันมันตกแล้วก็รู้สึกว่ามือมันหายไปอพอหันกลับมาเนี่ยมือมันยังอยู่ก็หยิบแปรงสีฟันขึ้นมาสีต่ออืค่ะไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเนี่เดี๋ยวมันก็มามันไม่ได้หายไปไหนใครดูไปนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะ<ะ>รู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็สลายไปคือ ยังยังไม่ถึงขนาดว่า ร, รู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราค่ะแต่อยากจะขอการบ้านเัื่องความรู้สึกตัวบ่อยๆนะเดี๋ยวเป็นเห็นเองความรู้สึกตัวเป็นต้นทางการปฏิบัติต้องทําสมถะเพิ่มไหมคะทําในรูปแบบนี่กว่านะเช่นเดินจงกรมอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวไปแล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะดีกว่าสมถะเฉยๆซึมๆไปเดี๋ยวจะซึมไปนะค่ะขอบพระคุณค่ะเบอร์71 นมาศการหลวงพ่อครับคราวที่แล้วหลวงพ่อแนะนําว่าผมติดสมถะไปหน่อยนะครับพอทราบเงสิ่งที่มันเคยสงสัยอยู่ก็ก็คลายลงหลังจากนั้นมาวันสมนก็รู้สึกว่าก่อนหน้า น, นี้ที่ตัวเองโมโหบ่อยเวลามีอะไรมากระทบใจเดิที่มันสงบอยู่เนี่ยมันก็จะโมโหง่ายเนี้ย ม, มันมันโลงขึ้นโปร่งขึ้นอื โดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วอยู่ๆก็ก็คือก็ปฏิบัติตามดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่าไปวันสองวันเนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดเป๋คือตามดูตามดูอะไรไม่ได้เลย เ, เคยฟังซีดีของหลวงพ่อหลวงพ่อก็แนะนำว่าคือมันก็มีโอกาสที่จะเป็นกันได้ก็ให้รู้ไปว่าคือไม่ต้องไปไปเครียดอะไรก็มันนะครับใช่ แต่ถึงที่ฟังซีดีอยู่ก็ยังยังอดที่จะไปไปเพ่งไปอะไรมันไม่ได้อห้ามไม่ได้เราแค่แค่รู้ทันเอานะก็จมอ ย, อย่างนั้นมาสอาวันจนกระทั่งค่อยๆ ค, คลายเมื่อวันสอวันที่เองครับสังเกตไหมเราบังคับมันไม่ได้ <c oughs> ทำไมกิเลสมันแรงขึ้นมาเพราะแต่ก่อนเราเก็บกดไว้คนที่เพ่งนะพอเลิกเพ่งเนี่ยกิเลส จ, จะแรงกว่าคนทั่วๆไป ม, มันเก็บกดมานานยิ่งโทสะนี่จขึ้นอุตลุดเลย แล้วก็อดทนคอยรู้ค่อยดูไปนะมันก็ค่อยอ่อนกําลังลงครับหลวงพ่อครับจังหวะตอนที่ผมรู้สึกบอกว่าผมบอกว่าผมรู้สึกโล่งขึ้นเนี่ยมันแปลว่าผมไปติดสมถะอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับไม่ไม่ติดนะใจมันจะโล่งขึ้นมาอีกแบบหนึ่งโล่งเพราะว่ารู้ทันสภาวะแล้วไม่ไปยึดถือมะนะันใจก็โล่งขึ้นมาโล่งขึ้นโชคครั้งโชคคราวเดี๋ยวก็ไปจับใหม่ถ้าติดเนะี่ยมันจะโล่งคงที่อยู่ยงนั้นนา น, าน นี่เราล่งไม่นานหรอกนะมันแวบๆบแบบโล่งเป็นครั้งเป็นคราวเดี๋ยวจีก็ปรุงอารมณ์หยาบๆขึ้นมาอีกครับขอบคุณยังไม่ได้ติดอะไรนะตอนนี้ที่ฝึกมาก็ยังยังถูกทางอยู่ใช่ไหมครับถูกทางนะแต่ตอนนี้ขณะเนี้นะใจนิ่งเกินไปนิดนึงดูบอกไหมอืมครับอ่ตรงนี้ไปกดมันไ้เออไปกดมันไว้มันเกินจริงนิดนึงนะให้รู้ทันเอา อ่าเบอยี่สิบยกมือไว้รัศการครับหลวงพ่อครับเอ่อเมื่อตอนต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาครับตอนที่ผมกําลังทําในรูปแบบอยู่ก็เอ่อเหมือนจิตมันไปนเห็นสภาวะอย่างหนึ่งครับมันไปเห็นว่าไอการรู้เนี่ยมันไม่มีตัวเราอยู่ในการรู้อะครับโอ้ยเศษเลยมันเห็นว่าความรู้มันเป็นกระบวนการอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปตรงนั้นเลยะครับถูกเป๊ะเลย มันเห็นอยู่ขนาดเดียวพอแล้วครับแค่นั้นก็พอแล้วครับบางคนเห็นครั้งแรกก็ตัดเลยได้โสดาเลยบางคนก็ยังไม่ได้ดูอีกครับผมแล้วผมมีอะไรต้องไม่แก่นะไม่แก่ไม่มีธรรมนะแต่รู้ลงปัจจุบันไปเห็นไหมที่มันเป็นขึ้นมาได้เพราะเรารู้ลูกเดียวครับผมต่อไปร4อยสี่สบากราบนรมาสการหลวงพ่อครับ ผมอยากทราบว่าจริตอย่างผมต้องดูได้รไครัว่าดูจิตไปเราคิดมากครับนะแล้วถ้าอย่างนั้นรบกวนขอกันบ้านด้วยครับใครรู้ทันใจของเราไปใจเราวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ไปกดจิตเอาไว้แล้วรู้สึกไหมอยากกดนะรู้ครับอใจหนีไปก็รู้ใจเรากดไว้ก็รู้รู้ทันไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอแล้วเอาเบอร์หกอยู่ที่ไหนข้างหลังหกสิบกราบนวัตการคะ่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งมาครั้งแรกอะคะ่ะ อยากเรียนถามว่าที่ทำอยู่ถูกหรือเปล่าคะเราคิดว่าถูกไหมคิดว่าถูกนะคะแต่ว่าทำมันนานเท่าไหร่ก็ประมาณสามปีค่ะเหลอได้มักผลยัง <c oughs> ถ้าถูกมควรจะได้บ้างนะ <c oughs> อย่าไปบังคับมันนะค่ะ <c oughs> รู้สึกเล่นๆรู้สึกสบายๆนะไม่กำหนดไม่เคร่งเครียด ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างตอนนี้จิตแอบไปคิดแวบหนึ่งรู้สึกไหมรู้สึกค่ะนะรู้สึกสบายๆของคุณยังรู้สึกแบบเคร่ๆๆคนะงเครียดไปค่ะถ้ายังเคร่งเครียดอยู่ใจไม่โปร่งไม่ลง่งไม่เบานะไม่ใช่จิตที่มีสัมมาสมาธิแท้ๆจิตที่มีสัมมาสมาธิแท้ๆนะั้นมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งนะของคุณยังแข็งไปนิดหนึ่งใช่ค่ะหลวงพ่อทราบเหมือนกันค่ะหลวงพ่อก็ทราบไปอย่างนั้นแหละ ก็รู้ไปใช่ไหมคะหลวงพ่ออย่าไปกดมันไอ้หนูยังกดอยู่รู้สึกไหมมันไปกดจิตตัวเองใช่ค่ะโอ้ใช่แต่แตมันก็ไม่ยอมปล่อยอะค่ะรู้เล่นๆรู้ให้สบายใจอย่าอยากเราอยากปฏิบัติมากไปแเราก็เลยเพ่งเอาเพ่งเอานะรู้ให้สบายถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วเคร่งเครียดนะหยุดไปก่อนเลยทําผิดแล้วล่ะ เรามาใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาเราถือสินห้าไว้ใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละอย่างเห็นหน้าเพื่อนเราคนนี้เราชอบเรารู้ว่าชอบเห็นคนนี้เราเกลียดรู้ว่าเกลียดยรู้ให้ธรรมดาธรรมดาค่ะอย่าไปเพ่งเอาไว้หนะ้านะนะนะเบอร์ห้าสิบสี่มีไหมเบอร์ห้าสิบสี่อยู่ที่ไหนออเออสี่สิบห้าเเรียกผิดแล้วเาสี่สิบห้ากราบนมัธการหลวงพอ่อค่ะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะแต่ว่าเคยฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วอะค่ะ ก็ฝึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะข อ, อกันบ้านด้วยคล้ายๆกันหนะสองคนกดไว้ะ็คือเหมือนกับว่าแต่คิดว่าต้องอย่างตัวของลูกอาข่าต้องดูจิตเป็นหลักว่ะค่ะดูจิตอย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่าดูจิตนะมันเป็นการเพ่งจิตดูจิตนี่เราไม่ได้จงใจจะดูความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็ค่อยรู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ใช่จ้องไว้ก่อน ถ้าจ้องไว้ก่อนเป็นการเพ่งจิตไม่ใช่การดูจิตรู้สึกไม้มเราจ้องไว้ก่อนถึงเวลาเราก็ไปรอดูว่าเมื่อไร่จะมีอะไรโผล่มาให้ดูอเงี้ยนี่เป็นการเพ่งจิตส่วนการดูจิตเนี่ยเราใช้ชีวิตธรรมดานี่ตาหูจมูกเล่นกายใจกระทบอารมณ์ธรรมดานี่แหละรรนะอย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมเห็นเขาเปิดประตูใช่ไหมแต่เราก็วิ่งปุ๊บไปที่ประตูเราก็รู้ทันว่าใจมันวิ่งไปเนี่ยง่ายๆแค่เนี้ยอย่างตอนเนี้ใจไปคิดแล้วทราบไหม ใจไปคิดก็รั่วใจไปคิดนะ <c oughs> ง่ายๆยเนี้ยไม่บังคับมันของคุณยังบังคับอยู่นะทั้งสอ <c oughs> คนแหละค่ะ <c oughs> แล้วอีกนิดนึงนะคะหลวงพ่อคืออย่างบางทีเราเดินไปไหนหรือว่าไปซื้อของอะค่ะไม่ได้ตั้งใจอะค่ะแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าเอ๊ะทาไมถึงอยากได้ทั้งที่ซื้อมาแล้วมันเดินไปห้างอะไรมันมันสติมันไม่ทนันกิเลสกิเลสมันชนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีเหมือนเด็กบางคนมาเล่าให้ฟังนะไปชอปปิ้ง ไม่ได้กะช้อปปิ้งหรอกตังก็ไม่ค่อยมีไปเดินศูนย์การค้าไปเห็นกระเป๋าจิตอยากได้รู้ว่าอยากได้น่าเก่งนะแล้วเผลออีกวูปหนึ่งนะกระเป๋ามาถึงบ้านแล้ว <c oughs> อันเบอร์เก้าสิบสามก้าสิบสามกลับนมัสการหลวงพ่อครับมาให้หลวงพ่อ ติวเข้มให้ครับติวเข้มเลยเหรอเอาเข้มๆเลยแล้วมาเมื่อเมื่อเดือนกันยาครั้งแรกครับนี่เป็นครั้งที่2แล้วก็ไปบวชมา2เดือนครับเห็นกิเลสไหมก็ดูมาเรื่อยๆฟังซีดีเรื่อยๆครับก็เห็นว่าโทสะตอนนี้งุ่นหงิดก็เริ่มรู้ครับเออดีนะเนี่ยฝึกอย่างนี้แหละต่อไปกิเลสเล็กกิเลสน้อยอะไรเกิดขึ้นในใจนะสติก็รู้เองแหละ แต่พอรู้แล้วอย่าไปอยากดับนะให้รู้เฉยๆดูซิเธอจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างเงี้ยนะค่ฝึกอีกนะไปฝึกดีขึ้นแล้วละแล้วก็ถามมีอยู่ช่วงนึงที่ผมนอนดูท้องของยุบแล้วพอเผลอรับไปแล้วเหมือนจิตมันวาบขึ้นมาเออนะมันมีสมาธิขึ้นมาครับไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนะครับเป็นเรื่องของสมาธิจิตมันรวมขึ้นมาครับนะแล้วไงอีกหมดยัง จิตแอบไปคิดแล้วรู้ไหมครับผมกดเอาไว้รู้ไหมครับถ้ารู้ใช้ได้แล้วอ่ะเบอร์สอยู่ข้างหน้าน้มัส ก, การหลงพ่อค่ะก็ช่วงหลังๆนี้มีช่วงที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาให้ดูเยอ ะ, ยอะๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเปรียบเทียบได้ว่าช่วงที่จิตตั้งมัน่นกับช่วงที่เราเข้าไปคลุก <c oughs> กับ <c oughs> ชีวิตแล้วก็กลืนไปกับมันดีนี่จิตไม่เหมือนเดิมแนละ้วรู้สึกไหม <c oughs> ค่ะการภาวนาทําให้ชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนไป รู้สึกไหมรู้สึกค่ะเปลี่ยนไปหมดแล้วรู้สึกไหมค่ะแต่ว่าใจมันโปร่งโล่งเบาเลยนะสงบสะอาดสว่างมากขึ้นมากขึ้นดีช่วงที่รู้สึกว่าเวลากลืนไปกับโลกมันก็ไปนานเหมือนกันก็พยายามจะหาวิหารละธรรมอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องมีเครื่องอยู่นะแล้วก็มีระเบียบวินัยในตัวเองค่ะแต่ว่า พอดีหาหาอย่างอื่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายเท่ากับรู้สึกตัวเฉยๆอะคะนะ่ะก็เลยอย่างนี้ละกันจะได้สบายๆรู้สึกตัวเฉยๆต้องระวังอันเดียอย่าให้จิตติดเฉยนะถ้ารู้สึกเฉยๆไปเรื่อยจะกลายเป็นสมถนะอีกละวังไว้อย่าให้จิตติดเฉยรู้สึกไปเรื่อยๆได้นะแต่ว่าไม่รู้สึกแล้วจนจิตนิง่งนะจิตต้องไม่นิ่งนะเอาเบอร์แปของคุณดีขึ้นเยอะเลยนะกรรมนมันสการหลวงพ่อครับ ตั้งแต่ผมเรียนกับหลวงพ่อมาคือผมเพิ่งจะเห็นว่าจิตมันถึงฐานคือยืนรอรถเมย์อยู่ครับแล้วใจลอยครับแล้วไปเหยียบหมาโดนหมากัดครับอา้าว <laughs> แล้วจิตแล้วก็รู้ว่าตกใจพอตกใจเสร็จแล้วแบบจิตมันก็เข้าไปถึงฐานมันนะครบอบแต่วันนี้คือผมอยากจะให้ผมจะนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูอะครับว่าผมทําถูกไหมเราสินั่งไป ต้องโดนมากัดถึงฐานก็คุ้มนะจิตเราสายก็รู้นะจิตมันสายก็รู้จิตถล่มลงไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมจิตมันไหลเข้าไปนะถอยขึ้นมานิดนึงรู้สึกตัวสบายๆฟุ้งซ่านไปนิดนึงก็รู้ทันจิตสงบลงมาก็รู้ทันอพอแล้วนะ ไม่คอยรู้ทันเห็นไหมโมหะแทรกแล้วซึมลนะให้รู้ทันน้ำก็รู้ไม่ทันโมหะเอาไปกินเบอร์ร้อยสาบการรดกสการหลวงพ่อครับผมมาครั้งแรกครับแล้วก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติมาได้1ิบวันวันนี้คือวันที่สิบครับใช้ได้ในสิบวันเก่งแล้วก็คือสภาวะที่เกิดขึ้นก็คือ ใจมันเบาตัวเบาแล้วก็รู้สึกว่าใจมันนุ่มครับเออนะมันนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวเบาสบายแต่เป็นนี้กิเลสอะไรแทรกเข้ามาก็คอยรู้เอาครับอย่าจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้ก่อนมันจะไม่เบาจะจะหนักครับถ้าจ้องไว้ก่อนมันจะไม่นุ่มมันจะแข็งครับดูเล่นๆไปดีใช้ได้นี่มันเป็นสภ า, าวะจิตตื่นหรือยังครับหลวงพ่ อ, รอครับตื่นนะแต่ว่ามันติดนิ่งมากไปไหนครับ คือตอนนี้มันเริ่มจำสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับอย่าจงใ้ให้นิ่งนะครับตอนนี้นิ่งนิ่งมากกว่านี้หนึ่งอ่าเบอร์ห้าสิบสองอยูท่ทั้งหลังทังหลังใครเขาสอนให้ละ่ะสิบวันทำได้อย่างนี้โอ้ฟังซีดีซีดีของใครต้องถามยิงซ <laughs> <laughs> ีดีของแกลมมี่ป่ะ หลวงพ่อก็ว่างั้นแหละซีดีหลวงพ่อฟังเราตื่นซีดีเพลงเพลงนะฟังเราหลับอ่ะหลวงพ่อคะไม่ได้ส่งกันบ้านนานก็เลยอยากจะกลับเรียนหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาช่วงเนี้ยค่ะไม่ทราบว่ามันผิดอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอย่าประคองมันนะยังบังคับตัวเองเล็กๆแต่ไม่มากหรอกดีขึ้นเยอะและ้วนึกออกไหมแต่ก่อนเพ่งแรงใช่ค่ะ ตอนนี้ก็ยังเหลือบ้างแต่ไม่มากแล้วก็รู้ว่แล้วที่ที่ทำมาเนี่ยหนูควรที่จะทําไปอีกทําอย่างที่ทํานี่แหละที่ทําวันนี้ถูกแล้วนะคะถูกแล้วละแล้วค่อยรู้เอาว่ายังบังคับอยู่มันเฉยอะไรหรือเปล่าคะหลวงพ่อมฉยคนบอกค่ะก็เฉยสิจะให้มันแอคทีฟไปถึงไหนอ่ะเลยไม่มั่นใจมีคนบอกว่าอีดูเปลี่ยนไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนงซ่านละเห็นไหมใจมัน หลวงพ่อบอกว่าดีเลยคึกเลยเห็นไหมใจเฟิงซารู้ไหมเอาเบอร์59 <c oughs> อยู่ที่ไหนกาลนว <g rab> สการค่ะหลวงพ่อคือหนูก็ฝึกดูจิตยอยู่ค่ะแล้วก็มีบางคราวนั่งสมาธิแล้วก็มาดูจิตบ้างะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรบ้างนะนั่งสมาธิแล้วอะไรนะค่ะนั่งสมาธิแล้วก็มาดูสภาวะจิตนะคะ บ้างเป็นครั้งคราวอะค่ะอค่ะอยากขอให้หลวงพ่อแนะนํากรรมฐานที่หมอกับหนูอะค่ะพยายามรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกรู้สึกไก่เยอะๆนิดนึงนะถ้าดูจิตแล้วมันจะดิ่งเข้าหาความว่างมากไปพยายามรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวกระดูกระดิกไว้แล้วก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆเอาใจหนูยำอยู่ไหมคะแล้วที่หนูทาอยู่นี่ถูกไหมคะหลวงพ่อมันก็ดีเหมือนกันนั่นแต่มันน้อมเข้าไปหาความว่างมากไป <Okay. S 2> มันจะว่างๆสบายโล่งๆไปหมดนะพ <Okay. S 2> ยายามรู้สึกร่างกายไปไ น, นะ <Okay. S 2> ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะมีความสุขตอนนี้เป็นเวลาที่เรายังต้องรู้ทุกอยู่ต้องรู้กายรู้ <Okay. S 2> ใจนะ <Okay. S 2> อย่ายเอาแต่ความสุขภาวนาแลสบายแล้วโล่งๆแล้วไปติดอยู่งั้นเสียเวลาแล้วพ่อคะอีกเรื่องค่ะคือว่าห mm. นูรู้สึกว่าบางที หนูชอบแอนตี้อะค่ะแล้วก็เหมือนบางทีทําให้ไม่อยากปฏิบัติหนูจะแก้ปัญหาไงดีอะค่ะให้รู้ทันไปว่าอยากแอนตี้ให้รู้ทันตัวเองไปนะอย่าให้ถูกอารมณ์ถูกกิเลสครอบงํำ <c oughs> อย่างใจมันรู้สึกอยากแอนตี้แล้วก็จะไม่ปฏิบัติเนี่ยเราแพ้ไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราถูกอารมณ์ถูกกิเลสครอบงําไปแล้วเราไม่เก่งจริงหรอก <c oughs> อต้องต่อสู้เอานะเช <c oughs> <c oughs> ิญกลับบ้านไป